ฟังทางกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติว่าจะสอนให้ลูกสิ่งที่เราได้ฟังเอาไปทำ ทำตามคำบอกจะว่าแสดงแสดงให้ดูให้เห็นทางกิดภายในตาในเห็นการแสดงออกมีอยู่ทุกคนสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันผิด วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ผิดที่ถูกนั่นก็คือไม่มีความรู้จึกตัวถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับปากับใจว่าลงสู่กับความรู้จึกตัวถือว่าได้พัฒนาชีวิตจิตวิญญาณ ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามยิ่งควหลงเกิดขึ้นรูปฉ ก, กตัวดได้พัฒนาจิตแล้วจิตถูกพัฒนาแล้วความทุกข์เกิดขึ้นได้รูปึกตัวถือว่าได้พัฒนาตั้งกายทั้งเวทันาทั้งจิตทั้งธรรม ลงมาสู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยที่นี่เป็นจุดยกฐานะจิตวิญญาตขึ้นมาสู่ว่าเป็นธรรมถ้าหลงเป็นหลงไม่ไดพัฒนาจิตวิญญาตจิตวิญญาตก็จะตกต่ำไปเรื่ อ, อยๆรล พบภูมิต่างๆได้ด้หลงเป็นลู่ทุกเป็นลู่ถูกพตนายกขึ้นมาเป็นฉินเป็นสมาธิไปอีกทางหนึ่งไปทางสูงๆไปทางสูงๆหรือว่ามนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่จะไปสู่มรรคสูขผล หลงเป็นหลงทุกเป็นทุกไปสู่ความเป็นคนความเป็นคนถ้ากุามด้อยกมดีอยู่เช่นนั่นไปชั่วบายเท่ากับขนโคไปสู่สุกติเท่ากับเขาโคนิดน้อยเท่านั้นเองตกตำ่ำมันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานมนุษย์คนเรานี่ มันมีจิตวิญญาณมันมีสมองทใช่ผิดผิดก็ได้ถ้าใช่ไม่เป็นแตใช่เป็นและใช่ถูกก็ได้เป็นประโยชน์ต่อโลกวัฒนาแต่ว่ามีกายมีใจมีรูปมีนามพัฒนาจิตในลักษณะ กรรมฐ า, านแล้วมาันจะาเป็นตรงจรไปถูกต้องทั้งหมดกิตวิญญาณก็จะดีสุขภาพก็จะดีระเบียบวินัยก็จะดีการงานก็จะดีไม่เบียดเบนตนไม่ปีเป็นตนอื่นผู้จ๋าชอบคิดชอบทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบไปเอง เมื่อมีความชอบเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อยอดต่อโลกต่อภษาตรนะหต่อสิ่งต่อธรรมบอกไม่เหมือนสนัตร์ในลักแต่พัฒนาล้าเช่นเรื่องลูกเรื่องกายก็รู้จักออกกำลังกายตามพอเหมาะวอดีสมมเสมอ อย่าขี้เกียดที้ขาดหห็นใจนั่งแต่นอนเื่อนไหวโดยเฉพาะกรรมฐานนี่รูปแบบกรรมฐานแบบสัมปชัญญะบพะที่เราทำอยู่นี่มันเป็นการเคลื่อนไหวมันจะพัฒนาระดับหัวใจหน้าอกต้นคอสมองปอดด้วย เราหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนเราสวดบนตอนเช้าอากาศดีๆเราไม่ได้จูดทุกนี่คาบอนอันใดอากาศบริสุทธิ์บทสวดบนหลวงบทก็วักแต่ละาวักก็ยาวบ้างสั้นบ้างเราก็ได้เปล่งลมหายใจออกพร้อมกับเสียงหายใจเข้าถหายใจออก บทสวดทำให้เราได้เพิกคัดลมหายใจปอดก็จะโตมีกำลังพอกโรหิตได้ดีไม่หายใจสันๆนนิน ด, กดกระทอดกระแท่นบทสวดวนทำให้เราได้ประโยชน์หลายอย่างไม่น่าเกลียดคาดพลังปอดพลั ง, งสมอง เรได้สติได้สมาธิได้ลำหนับนำนำได้สาธยายได้พูดไปต้องยําไปติดกายติดใจติดวาจาไปเรื่อยส่วนพุทธโธเนี่ยคือรู้คือตื่นแย่ไปด้วยอาจจะเป็นนิสยัยได้ ตามพัชรวดได้กล่าวเรื่องนี้ว่าเฉ้นช่างศึกพระราชาประโยชน์ดุรา้ายฆ่าพนช่างตายหลายคนพลอยชาสั่งให้ประหารมี่พนช่างคนหนึ่งกอเอาภัยโทษไว้จะได้ดศึกษาเรงนี้ก่อนทำไมจึงเป็นอย่างนี้ แต่ก่อนก็เป็นช่างศึกพระลาชาเชื่องมากพาเข้าสู่สนามรบได้ช้ชนะทุกที่ทุกทางแต่วันนี้ทำไมปรโยชน์มันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรโอ๊บเอาาจะโทษไว้ก่อนจะศึกษาเรื่องนี้ดูฝันช่างเก่าแกก็เลยไปดูสิ่งแวดล้อมในบริเวณโคกช่าง สอนกลาคืนดูมองมองดูแอบดูมีอะไรชิงแยนรลอมที่นี่เกิดขึ้นปรากฏว่าพวกโจรผู้ลอยไปปุน้นไหวกี้ทรบสินเงินทองได้มามาแบง่งปันของกันทีนั้นผู้จ่ากันแบบบรรณัดเหรัญครูข้าบรรครูยิงบรรกครูเหยียบบรรนครูต้องได้เงินมากครูเป็นผู้ลงเงินครูต้องได้เงินมากพวก คนไม่ได้ลงมือก็แบ่งกันตามกําลังของความสามารถของคนใครเก่งใครฆ่าใครตีได้กันจะให้มากหันชาติไดยินอย่างนั้นอยู่ทุกคืนทุกคืนทุกคืนอะไรนี้ส์เสที่ดูลายขึ้นมาจะฆ่าจะตีจะแทงจะทีจะเหยียบหรือ่วยก็เปนชาติดูลายหัวชางิแกคนนั้นก็เห็นเหตุเทียนนั้นแล้วก็แกใคร อ้อัมมาทั้งหลายทหารหารทั้งหลายไปลกจับโจนผู้ร้ยงาข้อช้างไปกับขังคุกหงดก็เอาพระสงฆ์เอาบาสุกบาศิกรไปสวดมนไหวพระทุกเช้าทุกเย็น แต่เมตตาสัปไปสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู ก, ทกเกิดเฉยเฉยตายด้วยกันทั้งหมดต้องสรินอย่าได้มีเวี่ต่อกันและกันอย่าได้ไปบ่เบียดเบียนฉะกันและกันอย่าได้เกี่ยวามทุกข์กับทุกข์ใจลักษาตุเล่พ้นจักทุกข์ไปตั้งเสดเดิดแต่เมตตาส่วนมนุษย์ขาถึงคุวงามความดีอย่างที่เราสอนให้ายส่วนมนุ์จบหมูมนี่มีแต่เรื่องดีๆ ย่างศึกเปลอชอวเมืม่อได้ยินอยู่บ่อยๆก็กลายเป็นช่างที่หายประโยชน์นั่นนี้สชยใหม่อนี่อ็ไม่ไม่ได้ถูกประหารชีวิตว่ามันมเหตุปัจจัยเราก็เหมือนกันถ้าหัดปรึกในสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็ดี เราชีวิตร่มไม่ดีมันก็ไม่ดีเราจึงพยอมเป็นมิตรกันอนุญาะมิตรอย่างที่เราสอที่จะพิสูจน์มุกี้นี้มิตร ด, ดีมีเพื่อนดีมีเฉยดีผู้มีความเจแข่พ้นจากความแข่มีความเจ็บพ้นจากความเจ็บมีความเศร้าโศกลรำไยรำพันก็พ้นจากความเศร้าโศกรำพันความแข่ความเจ็จคเจบนจคบนตายได้ หลาหยาอย่า ง, งที่สะทนให้เราได้เห็นหลัย่างลอาปุ้งซอดเพื่อนเรายังนั่งยิ้มเดินจฉก๋มหรือนั่งสร้างจังหวะอยู่เราม้อแต่เชิดน่นชิดนี่เอาอย่างเคลื่อนบ้างเอาอย่างต้นไม้บ้างวันยืนอยู่นี่เอาอย่างสัตว์ป่าบ้างพระเจ้ า, าเคยเปรียบเทียบไค้สอนพระสอน โยมให้อออย่างแจ้งกวงบ้างขาอย่างไก่ป่าบ้างเวลาหาชิ้นค่อยๆไปดูเช่นทางดูหน้าดูหลังไม่ลุกลี่ลุกลนเราเนี่ยนั่งอยู่นี่เหมือนชิดไปโน่นไปนี่ก็พยายามมีสติชิดไปที่ไม่ตั้งใจกบพยายามรู้สึกตัวสะได้สอนเกียแล้ว จิตถูกสอนแล้วถูกสอนเล่ามันก็จะดีไปเองทั้งกาก็เป็นระเบียบนและวการไหลเวียนของโลหิต ด, ดีโดยเพื่อกำลังกายเพื่อไหวเดินกลมันก็มีประโยชน์มาก ปีนี่เกิบเปีไปขึ้นภูเขาสูงเดินลงเขาได้ที่ประเทศอูฐานเดินลงเขาได้ไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ว่าเดินลงพ้อมนันกับคนหนุ่มๆผู้หญิงเวลามันมีที่ชันๆเอาเอาคนนั่งคอยใส่ลงไปวันจะ เอายืนลงไม่ได้อนนั่งลงอลเลื่อนก้นลง น, น้อยๆลงไปจนผ้าเพื่อนไปด้วยขี้โคนชื่อตรมแต่เราลองดูไม่ได้ไม่ได้นั่งมันค่อยยืนลงยอนเท่าลงไปลงได้กรใช้กำลังการเดินจงกมทุกวันทุกวัน ออกโยคะบางแา่งแนบ้างเดินจงกลมกานกินอาหารก็รู้จักเลือกล่างกินผักรือเชียวเฉียวให้บ้างมากหน่อยวัดการฉันกินเนื้อที่มันจกปกกินร้อนช้อนกลางล่างเนิเหมือนกับสารสุขที่บอกแบงวันนุกจักลักษาะ หลับเท่นอนของนุ่หมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อ, อยู่ในความสาอาดปลอดภัยร่างกายทั้งใจก็จะดีถ้าเรามีจิตวิญญาณดีระเบียบไว้ไหนก็จะดีใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบคิดอย่างไม่ระเบียบพูดอย่างไม่ระเบียบการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีระเบียบ เกี่ยวกับจริ ง, งเดือดล้อนก็มีระเบียบไม่เราไม่อะไรเรือดร้อนไม่บเปลี่ยนตนเองเดือดขาด <c oughs> เดือดขาดไม่บีเปลี่ยนคนอื่นเดือดขาดไม่เอาเรื่องการเรื่องใจมาเป็นความทุกข์เดือดขาดมันมีระเบียบอย่างนี้จริงไหนเกิดกับปากับใจ ให้ออกมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกเด็ดขาดให้ป็นดีสละไม่เป็นอะไรกับมันฝึกตรนสอนตนวิชากรรมฐานในวิชาที่คู่มือฝึกกายฝึกใจมันเป็นของจําเป็นขอขาดปาดตายความแจ็บความเจ็บคงตายเป็นทุกข์รวามจากความเจ็บคงตายไม่เป็นทุกข์ ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ปลึกเป็นแต่คิดก็เป็นทุกข์แล้วหยุดความคิดก็ไม่เป็นก็อยากคิดก็คิดเป็นทุกข์ความคิดตัวเองคิดแบบกดตอดตัวเองเป็นทุกข์ทำ้าตัวเอง เป็บาปผิดศีลเวลานอนหาเริ่อ ม, มายคิดอยงผิดศีลไม่เป็นระเบียบใจคิดไม่เป็นระเบียบเมื่อตัวเองไม่เป็นระเบียบจริงภายนอกก็ไม่เป็นระเบียบเกิดการวุ่นวายไปหมดเกิดการทะลาะว่ากันวัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ พิ่งเราเป็นศาสตร์สังคมถ้าเราพึกดีๆเราจะมีความมั่นใจสร้างสังคืคอขึ้นในครอบครัวให้ได้ในความสมานจำคีให้เป็นธรรมอาศัยกรรมธรรมมาเครื่องเกณฑ์คีดวัดตัดฉินด้วยความเป็นธรรมทุกเรื่องให้มีระเบียบอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่มีระเบียบ โคดของต่อสมาชิกในครอบครัวสุบปรี้กินเหล้าลูกเมียไม่ได้กินเหล้าไ ม, ไม่ได้สุโปริ้กของแรงงานของครอบครัวสมาชิกแต่ครอบครัวใช่้ทางที่ผิดพมองมันเป็นระเบียบเนื่อเป็นระเบียบผนก็เกิดความ แ, แกล้งให้สมาชาิกเจ้าชีไม่รวมพลังกันไม่มีพลัง ทำอไรก็ไม่สําเร็จยิ่งควกเราเป็นพ่าสองลูกระเบียบไว้หน่อยสองร้อยยี่ิบเจ็ดข้อยังไม่ลืมเหมือนท่องจำจดติดปากเป็นนิสัยได้ก็วัดปฏิบัติโดยเฉพาะกรรมฐานนี่ แล้วก็งอกรามขึ้นระเบียบวิ น, นัยเป็นไปเองวินัยนี่บัน ญ, ญตัตเไิดเพื่อภิกษุก็ยากหน้าด้านดื้อด้านถ้าเราฝึกกรรมฐานมันไม่ดือ้อดูแลตัวเองได้เช่นเราที่นี่ไม่ได้ปกครองกันไม่มีปัญหาเราฝึกกรรมฐานกันทุกคนก็ดูแลตัวเอง มีสติเป็นเจ้าของการมีสติเป็นเจ้าของจิตใจดูอลกายตัวเองดูแลใจตัวเองมีสติมมนให้คนอื่นมาดูแลเราจะได้เห็นความผิดความถูกที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทุกรูปทุ ก, ท ก, ทกแบบจะดยแก้สิงที่ผิดให้มันถูกต้องมันเกิดขึ้นหลายเห็นถ้ามีสติเป็นเจ้าของเราเป็น พ่อป๋ากา่อนเป็นสมรงแภูมิเั็นยภูมิไม่สติดูกายเรียกว่าสมารงแภูมิใจยภูมิที่ดีไม่มีแพร่เห็นหมดมาทางไหนดูกายเพื่อนไหวเห็นใจคิดนึกดูกายจะเห็นจิตเห็นจิตก็เห็นมันคิดโดยสอนจิตที่มันคิด มันยังเมื่อสอนจิตที่มันคิดมันก็ไม่มาถึงการแสดงัวทางกายหมดไปแล้วไอ้จิตมันเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าสําเร็จ์อยู่ที่จิตใจพระเจ้าบำเพ็ญทางจิตจะไปจับจิตเลยไม่ได้ต้องมีสติภปยในกายดูกายเห็นจิตที่มันคิดมันก็นสอนจิตแล้วพระองค์นั่งอยู่ได ท้วันฉีมหาโคคิดถึงพิมพากลับมาลู่ถึกตัวคิดถึงดานหุนกลับมาลู่ถึกตัวคิดถึงวัดจอดจอดฤดูกลับมาลู่ถึกตัวมันคิดได้มันเคยคิดมันเคยมีอะไรก็คิดเัืงนั้นได้สอนเกียเวลานี้ไม่ได้มันนั่งคิดถึงลูกถึงเมียถึงทรัพย์สินจะดึงกานมาลู่ถึกตัวมาลู่ถึกตัวเคลื่อนไอยอยู่นี่ เพื อ, อยู่นี่เดินจงกรมอยู่นี่กลับมาลู่กลับมาลู่มีที่ตั้งมีที่ตั้งมีการกระทาเรียกว่ากรรมฐ า, านที่ตั้งของการกระทำเนี่ยมันมันมันทำได้จริงๆรนะเนี่ยทําได้จริงจริงจริงที่ผิดก็เห็นผิดจริงจริงเปลี่ยนจริงที่ผิดได้ก็เปลี่ยนได้จริงๆ มีสตินะทำได้จริงๆความหลงไม่ถูกต้องจริงๆความไม่หลงถูกต้องจริงๆความทุกข์ไม่ถูกต้องจริงๆความไม่ทุกข์ถูกต้องจริงๆตรงนี้มีสิทธิได้จริงๆชีวิตเราทําต้องไม่ปล่อยตัวงที่จริงๆไม่ปล่อยความหล itto, งความทุกข์เกิดขึ Lynch, ้นในใจเราจริงๆถ้ามีสติจะเป็นเฉยชีวิตปงผิดบอกถูก แต่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่คิดหาเหตุหาผลไม่เอาเหตุเอาผลมาอ้างเอาเป็นประสบการณ์บทเรียนถองจริงว่ากันไปเลยอธิบายเหตุผลในความถูกควาผิดเป็นอธิบายไม่ได้เป็นความทุกข์กับความไม่ทุกข์อธิบายไม่ได้ผู้ที่สมบัตผู้ที่ทําล้นี้จึงอธิบายได้เป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัติ ปลอมัตจะจาะความจริงไม่มีคําถามจะจะทาไม่มีคําถามไม่จะคําตอบตัวเองนักตอบเอาเองถามคนอื่นไม่ให้คนอื่นตอบให้ไม่ได้จะจะทำเป็นเย่นนั่นความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมอะไรเป็นธรรมกว่ากัน นี่คือจัดจะทำได้เห็นอยู่ก็ผู้ประจึกษาปฏิบัติเท่านั้นผู้ปฏิบัติผู้จึกษาต้องทำาดยตนเองทำแทนกันไม่ได้ตัวใครตัวมันจึงมีวิชากรรมฐานนี่ช่วยไม่ได้ว่าเจ้าเป็นอาเพียงคู่บอกผนการกระทำในหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลาย นี่ก็เป็นเพื่อเตือนกันในทําจิตวัดวิธีวัดตอนเช้าตอนเย็นรวมกันแล้วก็มีการสนทนาทรมกันต่าประเทศสนทํามกันเป็นอาจจะเป็นมงคลได้ยินได้ฟัง เรื่องที่ม่ได้ยินได้ฟังได้ฟังนะบริ ว, กวาก็จะเข้าใจคุณชอบของใหลหยุดผู้ฟังก็จะผงใสขึ้นมาได้ น, นิสัยใหม่เหมือนช่างศึกที่ประยยชน์เมื่อไดฟังสิงที่ไม่ทำให้ดูร้ายกลายเป็นช่างที่เชื่องหายประโยชน์หนาคิดเราก็เช่นกัน สุขตนสอนตนอย่าพุนผันผันแล่นวู้วามมีสติยับจังชังกิจกำหนดล้มหายใจบ้างอยู่การเคลื่อนไหวบ้างแต่เพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมาะทุกวันนี่คนมันอล้วก็ชิดๆิดๆกันมาก เ อ, เอาลมหายใจช่วยกับความจิตมันไม่เพียงพอต้องเอาการเคลื่อนไหวเนการเขย่าธาตุลู่เป็นวิญญาณธาตุลู่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้จักตัวความรู้จักตัวนี่ต้องประกอบ ชิดเอาเหตุเอาผลเลาต้องประกอบมีที่ตั้งมีการกระทำยังจำเป็นต้องสอนกรรมฐานวิชาเพิกกายเพิกใจคือกรรมฐานรู้แขนเข้ารู้จักตัวเหยื่อกรู้จักตัวถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่ตั้งนี้อยู่เสมอเสมอ แล้วกรรมมากรรมมาปฏิบัติคือกรรมมากรรมมาปฏิคือกรรมมากรรมมากรรมมาไม่ไปกรรมมากรรมมากเมื่อกรรมมาบ่อยกรรบมาบวอยๆมัก็ได้ที่ได้ทางกันหนักแน่นมากขึ้นต่อไปเมื่อใดฝึกขัดมันก็เป็นไปเองหลงที่ใดมีรูที่นั่นทุกที่ใดมีรูที่นั่นอยู่ในขาวเดียวกันในความเจอก็มีความไม่เจอในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตาย เราจะไปฝึกตอนที่มันจะตายมันฝึกไม่ได้ฝึกไว้ก่อนถือวัแล้วสี่สิบหัวปีมาแล้วดังใจที่ใช้อยู่อันนี้สงกรานตฝึกกรรมฐานตั้งแต่หนุ่มๆเอล่าก็าาอ ย, อยังได้ชช้อยู่ช่วยแนตะ่สิงที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องทุกเรื่องทุกหล่อไม่ได้ฝึกมันเป็นทำให้มันเป็น ว่า ไ, ได้รู้เหมือนเป็นวามการทำให้เป็นไม่เคยสอนเราเราต้องสอนตัวเราเองสอนให้รู้มีเยอะแยะแล้วก็รู้อะไทุกคนัละถอนให้รู้อ๋อสองขวัญเจเวลาอาภพ่อง